อันนี้ก็อยาา่างทเราทราบกันว่าที่มีกาันป็นเมชาสมบติ9โมงครึ่งตอนนี้จะ8โมงครึ่งแล้วเวลาไล่หลังพอวันนี้เข้ากรุงเทพกลาขคืนหนึ่งคืนอาทนี้จะเข้ากรุงเทพอีกสักสองรอบเมื่อานเป็ครบ ปัญญาสาวารคือครบหรอบ10ลพัน์ปีหลวงอันนี้ว่าวันวั น, ว, นวันเกิดสองคำคำหนึ่งคือตายกันหนึ่งเกิดคือคำพวกนี้จ้าเราฟังแล้วเหมือนกับ ฟังดูหนังฟังเพลง ย, ยี่เยเ้อนพอพูดสัมาวัตฟังเกิดสัญญาโอเคความจำจเฉยๆตอนเดิไม่มีอะไรแต่ฟังแล้วมงให้เกิดปัญญาคือเป็นธรรมะฟังให้เป็นธรรมะ เ, เื่อเือเป็นเรื่องตายเรื่องเกิดเื่อเกิจะตายสองค พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเกิดดับพรเหมันเรียกไม่เหมือนกันเพลาเกิดเรียกเหมือนกันพอเาตายเรียกไม่เหมือนกันอย่างพระตายก็ไปเรียกอย่างหนึ่งคนชั้นสูงก็จะไปเรียกอย่างหนึ่งโดยสิงสาราสัตว์ก็ไม่เรียกว่าตายลมมั้ง เป็นตนเพราะนั้นคำกลางๆกง็คือเกิดดับตอนที่คำว่าเกิดดับความหมายมันกวา้างทั้งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็นำมาทำส่วนที่เป็นรูปธรรมที่เราไปเห็นกันอยู่อย่างช่วงต้นเดือนนี้ศาลาเพิ่งว่างมีสองศาลา แต่มาทีละสามเหตุไมมีทุกมีทุกรุ่นมีทั้งไทยมีทั้งเทศอเมื่อใช้บริการก็เรียกว่าเข้าวัดเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าที่ลำนังคนห้ามกันเขา ไม่ได้เดินเข้ามาไม่ได้ขับรถเข้ามาคนหามกันเข้าวันในวันนี้จึงเป็นวันที่เราจะต้องมาพิจารณาก็ถือโอกาสทำบุญท้ายปีใหม่เพื่อเปลี่ยนคน คือคนเราเนี่ยถ้ได้รับโอกาสเในทางที่ดีคือทางทางโลกและทางธรรมคำสองคาที่เราควรจะพิจารณาคือโอกาสสองความสามารถต้องสองอย่างมันไม่อยู่ด้วยกัน คนที่มีความสามารถ น, นี่คือภาพรวมแต่เขาไม่มีโอกาสที่แสดงออกว่าจะเป็นหน้าที่การงานราชการบริหารทุกประเภทบ้านเมืองเรามีคนสามารถเยอะแต่เขาไม่มีโอกาสที่แสดงความสามารถันั้น บางคนมีโอกาสที่จะแสดงออกแต่ความสามารถไม่มีบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมาคนที่จะได้ทั้งโอกาสและความสามารถมันมีน้อยตอนนี้เป็นวันหนึ่งคือเราได้ให้โอกาสที่จะ เหนกับสมัยโบราณสมัยโบราณการบวชในสมัยโบราณกับปัจจุบันมันต่างกันตรงดีสมัยโบราณผู้บวช ด, ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสผู้ไงก็บวช ด, ด้วยความเข้าใจอาจจะเกิดจากประสบการณ์ตรงหรือปัญหา คือจต้องการที่จะเปลี่ยนแต่วก่อนหน้านั้นก่อนที่จะบวชก็ศึกษาหาความรู้อย่างเช่นผู้ทธ่เจ้าของเราลทัลทธิมาถึงมุ่งไปที่ความเชื่อในการปฏิบัติตัว ต, วตนในสมัยนั้นมีครูใหญ่ๆเยอะหกที่เป็นหลักๆเราดัง ก, กันย่ยอยๆดำๆเยอะแยะ ม, ม, มากมายสารพัดความเชื่อตามทางความเชื่อ แล้วก็ทดสอบทดลองแล้ออครูทั้งหกเกี่ยวสุดยอดของครูทางทางโลกและทางธรรมอยา่างผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเวลาโอกาสต้องจะเป็นเด็กเก็ปเป็นในเด็กน้อยโดยเฉพาะเชิงชานสมบัตินี้ตั้งแต่เด็กแต่ท้งนี้เราต้องไม่ลืมว่าไม่ใช่ว่าใครทุกคนก็ทําได้ ผู้จ้งองเราเราคนมีบารมีคนมีบุญบุญก็เกิดจากการสร้างสมการกระทาเหมือนพวกเราทําทุกวันผู้จ้างเราเป็คนมีบารมีแต่โบรางมีของเกา่าพระภาษาบริรุนบอกคนมีของคนมีขอ ง, ของเก่าอยู่แล้วเพียงแต่มาต่อเติมมาต่อ ย, ยอดเมืนพวกเราก็เช่นเดียกวกัน ถ้าของก่งมันมีอยู่แล้วก็มาต่อยอดมาเพิ่มมาเติมก็จะเป็นการดีนัาการบวชจึงถือว่าให้ทั้งโอกาสที่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องเข้าใจจรงกันนะห้ามมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ไปเ ป, ปลี่ยนแปลงคนอื่นธรรมชาติของคน พูดถึงคําก็าาเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนคนอื่นก็นเปลี่ยนความคิดคําพูดการกระทําอยากจะให้คนอื่นการเปลี่ยนแปลงแต่ลืมไปว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงเรียงเหล่านี้คือความคิดของเราคํำพูดถึงการกระทําของเราจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเพราะนั้นปีใหม่นี้ก็แนะนํานิดนึง ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรใหม่มันมีอะไรที่มันใหม่ขึน้นมาบ้างมันใหม่ตรงที่ว่ามันความอยากอยากของคนอยากของมนุษย์นีภาษาลุงๆมัเรียกว่าอยากก็คืออยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้คือชีวิตความเป็นจริงของพกเราทุกคนจะมีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจําวันอยากได้ ตามอะไรอยากมีอยากเป็นปัญหาก็คือถ้าอยากได้แล้วมันได้มันจะไม่มีปัถ้าอยากมีแล้วมันมีไม่เป็นปนัญหาอยากเป็นแล้วมันเป็ น, ปนมันนีปัญนนปัญหาคืออยากได้แล้วมันไม่ได้อยากมีแล้วมันไม่มีอยากเป็นแล้วมันไม่เป็นความอยากมันได้สำเร็จด้วยแค่ความคิด คิดอย่างเดียวไม่ลงมือทำมันก็เป็นไปไม่ได้ต่อให้คิดดีขนาดไหนต่อให้อัจฉริยะบุคคลมาพูดต่อหน้าหรือต่อให้พระเจ้ายังมีผู้ชนอยู่เาพูดประเทศต่อหน้าคือพูดดีคิดดีแต่เราไม่ทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนคำ คำพูดดีๆคำพูดของขบายจังคำพูดของผู้หิงาวคำพูดของพ่อหอมแม่เราไม่โอปนอาจิโกคือนอมเข้ามาปฏิบัติในชี้อพระจํามันเราเึกภาพไปออกเหมือนข้าวราอ่านวันนี้คณวิโรจน์เป็นเจ้าภาพลูกหลานทั้งหมดวันนี้หลากหลายอาหารคนก็พัลนากันไปว่า น, นั่นล่ะ อร่อยอันนี้อร่อยเต็ไมไปหยิบเข้าปากมันจะมีประโยชน์ไหมบอกอันนี้อร่อยนะอาหารอย่างดีแต่ว่าไม่หยิบเข้าปากคือไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ได้แต่มองเอออาหารรู้หมดอย่างนี้เป็นต้นเนะนี่คือในพระปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน มันฝ่ากเราทุกคนเรารู้หมดว่าทำอันนี้มันไม่ดีนะแต่เขายังทําอ ย, าอยู่คิดอย่างนี้มันไม่ดีแต่ก็ยังคิดอยู่เนี่ยเพราะว่าเราเราเราแค่ใช้สัญญามันไม่ได้เกิดปัญญาจริงๆเพราะนั้นเกิดผลความจริงสามคำสั้นๆ น, นะเนี่ยให้เราจำเอาไว้ทุกอย่างมันเป็เหตุผลจึงตามมัง ผลมันก็เกิดจากเหตุนั่นเองเหตุผลเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่จะบอกว่าเหตุผลอันนั้นต้องเป็นความจริงเนึ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะได้สงหรณ์พราะความจริงอันนี้แหละ ที่พระเจ้าพยายามที่จะบอกกล่าวสอนชี้แจงสแสดงให้พวกเราอนุชนคนรุ่นหลังได้ฟังได้เข้าใจว่าเราถ้าไม่มีเหตุใม่ผลเลยมันไม่น่าจะเป็นคนได้คือใช้อารมณ์เมื่อไม่ใช้เหตุผลมันไปใช้อย่างเดียวคืออารมณ์อารมณ์คืสิ่งที่รับมา ในกระทู้ทแล้วมานเกิดความยินดีไม่ยินดีสุดท้ายแล้วก็เป็นคนใช้อารมณ์ไม่ได้ใช่เหตุผลอารมณ์คืออะไรมณอารมณ์คือความรู้สึกสรุปก็คือใช้ความรู้สึกตัดสินไม่ได้ใช่เหตุผลความจริงเป็นตัวตัดสินเราถึงได้เป็นอย่างนี้อารมณ์มีทุกคน ผิดแต่ว่าใครเจ้าคนที่มีความสามารถควบคุมกำกับดูลตัวเองได้พัฒ า, าทีนี้ท่าเราไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไม่เคยปฏิบัติแอร์เลยควบคุมรอรมตัวเองไม่ได้แปลว่าอะไรมันก็แสดงออกทันงคือไม่สามารถทจะระงับยับยั้งอารมณ์นั้นนั้นได้รักการบวช หรือปปะชะจึงแปลว่ามางดมาเวนมีความหมายการบวชเพราะฉะนั้นโดยรูปธรรมก็คืออย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่นี่เป็นรูปธรรมส่วนที่นาง ม, มาธทำมันไม่มีตัวมีตนสิ่งเราจะต้องงดคืออะไรสิ่งเราจะต้องเว้นคืออะไรในชีวิตประจำวันการบวชก็เช่นเดียวกันบวชกายก็อย่างที่เราเห็นกันอยู่วันนี้ บวชใจถ้าเราบวชกายไม่ได้หรือเป็นพระทางกายไม่ได้อย่างพวกเราผู้หญิงหรือว่ามีโอกาสจะได้บวชบวชกายไม่ได้ก็วบวชใจเอาเป็นพระทางกายไม่ได้เป็นพระทางใจเอามันเป็นได้แต่เราไม่คิดคิดว่าจะเป็นพระได้ก็ต้องเป็นทางกายเท่านั้นมันก็จะบวชกันเนี่ยแต่ถ้าพอบวชทางกายเนี่ย มันบวชแค่กายกับอาจารย์ใจมันไม่ได้บวชคือมันบวชไม่ได้พูดง่ายคือใจไม่ได้เป็นพระมันก็อย่างที่เราเห็นเห็นที่เราเสพข่าวกันทุกวันเนีทําไมพระเราไปเรียกว่าพระนพระโดยสมมุติถึงเป็นอย่างนี้ทีดอย่างนี้ทํางก็พระแค่กายแค่ อ, อาจารย์เก็บใจเขาไม่ได้เป็นพระพฤติกรรมก็เดิมเดิม มันไม่มีสมกับคําว่าปาวิชะคือบวชคืองดคือเวน้นคืองดพฤติกรรมเดิมๆที่ฆราวาสญาญโยงก็ทำการให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของความคิดคำพูดและการกระทำมันก็เป็นพระแค่หลอกๆนะเอคงคเอาแค่พระเหลือง ม, ม่อมมันอันตรายยิ่งกว่าเพราะมันก็หลอกลวงชาวบ้าน การความเป็นพระเนี่ยเป็นงั่งแป๊บเดียวเป็นพระแนละ้วแต่จะเป็นพระที่ดีพระที่มีคุณภาพเนะี่ะมันไม่ง่ายเป็นพระนะต้องฝึกต้องฝืนต้องทําตรงข้ามัวชาวบ้านต้องลดทุกอย่างที่เคยมีเคยเป็นในสภาวะที่เป็นบ้านคือคารวะยาจูอันนี้คือความดี แต่ถ้าบวชมาแล้วเหมือนเดิมก็อยากคิดเดิมๆอยากพูดเดิเดมๆทำเดิมเพราะคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกาะเป็นพระแค่กายเป็นพระแค่รูปแบบเท่านั้นเองเพราะนั้นก็ขอพวกเราเข้าใจว่ า, วาการการบวชนั้นบวกายไม่ได้เราก็บวชใจเอาเป็นพระทางกายไม่ได้กับพระทางใจเอาได้เหมือนกัน อย่าลือ่านี่คือการเกิดจริงๆคือเกิดความคิดคํำพูดการกระทำไม่ไม่ขึ้นมาอันนี้คือเรื่องายเกิดส่วนไฟดับฝ่ายดับก็คือถ้าพูดง่ายก็ตายวันวันหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่มีความดีในด้านของความคิดในด้านคำพูดหรือการกระทําเกิดขึ้นเลยเรื่องมันไม่เกิดเมื่อเกิดก็คือตายตายยังไงตายจากความดี วันๆไม่มีความดีเกิดขึ้นเลยไม่ว่าตายกับความดีเป็นเป็นอยู่เนี้ยมันไม่ต่างอะไรกับคนตายเพราะไม่มีความดีอะไรเกิดขึ้นเลยทางกายทางวาจาทางใจไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายเพราะไม่มีของดีไม่มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้เราเข้าใจเรื่องเรื่องเป็นเรื่องตายเรื่องเกิดเรื่องตาย เพราะเวลาคนตายเราจึงบางทีเราจึงใช้คำว่าหมดบุญคือหมดโอกาสที่จะทําบุญทํำบาปแล้วนั่นหรือกลาว่าตายอย่าลืมว่าเป็นเป็นหยุดมันก็ตายได้แปลว่าวันไหนไม่มีการทําบุญเลยวิจใจไม่เป็นบุญเลยวันนั้นก็บอกว่าคนตายนะเขามมีความไม่มีความดีเกิดขึ้น นั่นในขณะที่เรายังมีชีวิตยอยู่มีลมหายใจอยู่ความดีสารพัดหลากหลายวิธีไม่ได้ไม่จะเป็นธรรมไวยพระสมาทานสินเข้วาวัดของคำจำสินเขานี่เยอะเยอะมากมายความดีที่เป็นความดีเราสามารถทําได้ก็ฝากพวกเราทุกคนเพราะว่าอีกไม่กี่วันนี้ก็จะโยโฮฮิวตอนรับปีใหม่กันแล้วไม่รู้ว่าตอนรับอะไรเหมือนกันตอนรับ ต้อรับอะไรว่ากูแก่ขึ้นอีกปีแล้วเนี่บอกทาไมมันตะโกนอะกูแก่ขึ้อีกปีแล้วเนี่ยเออมันต้องตะโกนอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ตัวว่าอางทีเราที่เราเสียไปเสียไปที่เราคิดเราได้คือการเวลาที่เราคิดว่าเราได้ก็เอาเป็นว่าได้มัง่งเสียมัง่งแต่างมวีโรดว่าหกสิบเจ็ดปี ก็ได้มาแล้วเสียไปแล้วหกสิบเดปีแต่ที่จะได้อีกจริงๆไม่เคยรู้อายุที่เราจะได้จริงๆไม่เคยรู้แล้วได้ได้รูปแบบไหนฮะเพราะเราเป็นคนกําหนดได้ว่าหกสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราน่าจะมีบทเรียนที่เกิดจากประสบการณ์ตรงไม่ว่าวันจะเป็นด้านโอกาสความสามารถที่เราพอผูดเบื้องตนว่าโอกาส ที่จะมีในชีวิตอีกครั้งหน้าความสามารถที่มีอยู่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพึงสังวรพิจาริญนองพราะเราจะประสบความสําเร็จไม่สําเร็จขึ้นอยู่ที่เราแต่ว่าอย่าลืมชีวิตของเราเนี่ยมันแค่เกิดดับคือแค่เกิดกับตายพอหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นจิตมันไม่เคยตายมันแตกสลายแค่ร่างกาย แค่รูปเท่มนีอยู่จากนั้นคือจิตออกจากร่างไปแล้วจิตมันไม่ได้ตายแล้วมันจะอยู่ยังไงทินเหมือนคนเราถ้าเราไรบ้างเราเคยเห็นไหมคนไร้บ้านไม่มีที่พักนอนใต้สะพานนอนใต้ต้นไม้นอนใกล้ของขยะแล้วคนเขาเรียกว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีบ้าน ท, า ท, าทั้งๆที่มีเหมือนพวกเราทุกอย่าง แขนขาตาจะบกพรอบหมดไม่ได้ไปบริการได้เลยแล้วทำไมไม่มีเราก็จะบอกโทษกรรมเก่าโทษวาสนาะโทษเบื้องบนโทษสวัสค์โทษอะไรก็ไม่รู้เราก็จะบังังตําหนิตัวเองอย่างนี้โดยที่ไม่ลงมือทําก็โทษชาตากรรม ประเดได้เป็นอย่างนั้นคือไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีคือไม่เปลี่ยนความคิดคําพูดการกระทําคือทําเดิมๆยังไงก็อย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องคิดอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ก็แปลว่าคิดแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้ อ, น, อนนี้เรียกว่าเป็นประโยชน์พูดออกไป คำพูดของตัวเราพูดไปแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดื อ, อดร้อนกับคำพูดของตัวเองนั่นคือดีการกระทําก็เช่นเดียวกันทําไปแล้วมันเป็นประโยชน์ทั้งนตนเองและผู้อื่นนั่นจึงเรียวเป็นประโยชน์แต่ถ้าตรงกงันข้ามเริ่มต้นจากวความคิดไม่มีอะไรคิดคิดทําลายตัวเอง ของดีมีเยอะแยะคิดไม่คิดคิดถึงคุณของพระเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คุณของคุณพ่อคุณแม่คุณของผพวกพวกคุณไม่คิดคิดอะไรมาลูกภัยบาดอาฆาตมารร้ายคิดลบคิดลบมันก็ชัดเจนนะครับว่าลบคือมันหมดไปหายไปหายไปครั้งหนึ่งขอลบครั้งหนึ่งครั้งสองขอลบครั้งสองลบจนไมนมีใครอยู่ใค้ตัวเลย มันอยู่ใครตัวของที่มีในตัวไม่เหลืออะไรเลยมันคิดลบมันลบทุกอย่างจองข้ามาคิดบวกมันก็เพิ่มบวกคือเพิ่มมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆเหมือนเราทำมาหากินนะเดีวคิดบวกมานค่อยเพิ่มบาทสองบาทไม่เป็นไรมากน้อยไม่เป็นไรตามกำลังเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เพิ่มในชีวิตเรื่องเรากการลงทุนเหมือนกับค้าขายเนี่ย การลงทุนแปลว่าจะต้องมีกำไรมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องมีกำไรหาลงทุนแล้วไม่มีกำไรจะทำทำไมชีวิตเราก็เช่นเดียวกันเกิดมาแล้วต้องได้กำไรจะมากจะน้อยไม่เป็นไรขอให้ได้กำไรคือกำไรชีวิตะฉนนั้นใกล้ปีใหม่แล้ววันนี้เราถือว่ามเมา สนับสนุนคนให้กระทำความดีให้ลดเว้นทางกายทางวาจาทางใจพ่อเขาได้รับประโยชน์แล้วแก้ไขปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นก็เป็นบุญกก่ตัวเองเป็นบุญแก่ผู้ให้การสนับสนุนทั้งชู้แต่ถ้าเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นหรือแย่ก่อเก่าหนักก่อเก่านี้ เพยงแค่รับประโยชน์อะไรเลยการบวชก็ไม่รับประโยชน์อะไรวันนี้ก็ถือว่าเราให้โอกาสเราก็เป็นผู้สนับสนุนให้คนทำความดีก็ถือว่าได้บุญได้กุศลอย่างหนึง่งก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่พวกเราทําทั้งหมดในวันนี้เจะภาพพัฒหารชาววันนี้ตลอดถึงพวกเราทุกคนที่เป็นอุปถัมภ์คำจุมบำรุงเราพุทธศาสนา และให้โอกาสคนทำความดีและร่วมความความดีในวันนี้9โมงขึ้นเป็นต้นไปก็เชิญพวกเราทุกคนถ้ามีโอกาสมีเวลาที่ร่วมงานบรระชาอุปสมบทในครั้งนี้ถือพวกเราทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันก่อนปีใหม่ทำบนใหญ่ข้างกันด้วยกันก็ขออนุโมทนา